ก็ไงอยูวันนี้ไม่ไปเลือกตั้งกันนะ่ะเดี๋ยวค่อยกลับไปเร <ś c oughs> ือสมบูรณ์มากับใครบ้างสามยี่เนี่ยมีเครื่องแบบนี้ก <ś c oughs> ็ไงอยูอ่ภาวน า, นาเป็นไงเคยรู้ทันไปที่จริง ถ้าเราเห็นความอยากได้นะเพราะความอยากขาดเนี่ยความปรุงแต่งก็ดับเลยในี่ใจของเราพอหมดอยากเรื่องหนึ่งก็จะไปอยากอีกเรื่องอยากไปเรื่อยๆคนในโลกมันก็อยากของหยาบหยากอยากได้ของหยาบอยากคืออยากได้อารมณ์ที่ดีอยากได้รูปสวยๆกลิ่นหอมๆเสียงเพราะอะไรานะของอร่อยอยากได้สัมผัส ด, ดีๆ อยากคิดเรื่องสนุกสนุกเพิดเพินฝันฝันอะไรอเด็กๆชอบฝันๆนันคนแก่กนะ็ฝันนะฝันอดีตเนดะ็กก็ฝันอะไรไปอนาคตเนี่ยอยากได้ความสุขอยากไดอารมณ์ที่ดีนี่อยากขั้นต่ำเลยนะพวกสัตว์มันก็อยากแบบเดียวกันนี้นีพอนักปฏิบัติมันก็อยากประลีกที่มอีกอยากให้จิต ด, ด, อดีอยากให้จิตไม่มีกิเลสอยากให้จิตไม่ทุกข์เงี้ย เป็นพวกนี้จะคอยรักษาจิตส่วนพวกที่อยากได้อารมณ์ดีๆก็จะวิ่งหาอารมณ์ที่ดีแย่งชิงกันแล้วผลประโยชน์ขัดแย้งกันตีกัน ก, กัดกันสนักปฏิบัติอยากหาความสุขก็เลยเกิดกันทำทานถือ้อศีลทำสมาธิเกิดความพรุงแต่งใส่กุศล อีกพวกหนึ่งฉลาดกว่านั้นอีกคิดว่าถ้ายังมีจิตมีใจอยู่นะยังมีทุกข์อีกพวกนี้ภาวนาให้จิตมันดับไปหรือดับความรู้สึกไปอยู่กับอารมณ์ที่ละเอียดอยู่กับพวกอารมุปก็เป็นความปรุงแต่งอันที่สามเรื่องอนเนชาที่สังขน์นี่แต่ละคนก็หาความสุขด้วยการปรุงแต่งแบบต่าง ชาวโลกมันก็ปรุงแต่งแบบเที่ยวหาอารมณ์ที่ดีเที่ยวนี้อารมณ์ที่เลวนักปฏิบัติก็ปรุงแต่งแบบทําตัวให้เป็นคนดีจริงๆทําตัวให้เป็นคนดีมันก็ดีเหมือนกันนะแต่มันดีแบบคนดีนะดีแบบเทวดาดีแบบพรหมเลยยังเกิดอีกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความปรุงแต่งทุกๆแบบเลยนะคือความไม่รู้จักข้อเท็จจริงในตัวอวิชชาไม่รู้ทุก ไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวทุกข์ล้วคิดว่าเป็นตัวเราเป็นตัวดีพอเรารู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรานะก็อยากหากความสุขให้มันนี้วิธีหาความสุขก็คือความปรุงแต่งแบบต่างๆนั่นเองวิ่งหาอารมณ์ที่ดีวิ่งนี้ยอารมณ์ที่เลวรักษาจิตให้สุขให้สงบนี่แบบคนดี ลึกๆที่พวกเราพยายามมาปฏิบัติเนี่ยดูลงไปมันรักตัวเอ ง, หงอหละอยากให้ตัวเองพ้นทุกข์อยากให้ตัวเองมีความสุขอันี้ถ้าเราปฏิบัติเราไม่เข้าใจเราจะรูปลูบคลำคลำการปฏิบัติไปเรื่อยปฏิบัติแบบรูปลูบคลําคลำเรียกว่าศิลปัตูปาทานศิลปตับรามาสปฏิบัติแบบรูปลําไปคิดว่าทําอย่างนี้น่าจะดี ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการทำนกะ็คืออาวิชาเพาะฉะั้นปฏิบัติแ้าเป็นแทบตายอีเลนหนังไม่ทะลอนะเลยทางสายกลางเนะี้ยอยู่ตรงที่รู้ทันความปรุงแต่งนะรู้ทันความปรุงแต่งดับอะไรทำให้ปรุงแต่งก็อยากอยากอย่างงั้นอยากนี้แล้วก็ปรุงแต่งรู้ทันไปงั้นการปฏิบัติถ้าเรียนแบบรวบยอเลยนะแบบเรียนรัดเลย รู้เข้ามาให้ถึงใจเองเลยความอยากอะไรสักเล็กน้อยเกิดขึ้นนะให้รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วความปรุงแต่งจะดับไปความความอยากคือตัวตัหาความปรุงแต่งทางใจคือการสร้างภพภพคือการทำงานทางใจอย่ตันหาเป็นผู้สร้างภพอยากขึ้นมาแล้วก็ปรุงทำไมถึงอยากเรามีอวิชชาไม่รู้จักทุกคิดว่านี่เป็นตัวดีไม่ใช่ตัวทุก เพรงนหน้าที่ของเรานะคอยรู้ถ้ารู้ทันตรงที่ตัณหาเกิดแล้วมันดับไปเลยตรงนี้ก็ได้ตัดตรงนี้ก็ขาดได้หรือรู้ตรงอวิชชากับสังขารอาวิชชาความไม่รู้ก็เกิดความจงใจะเจตจงใจปรุงแต่งทั้งสามแบบรู้ลงไปตรงไหนก็ได้ที่เป็นต้นะกิเลสเกิดที่มารู้ทันตรงนั้นง่ายนะ วิชาตอนนี้ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นถึงหัวข้อถึงบอกว่าดูตรงที่ตัณหาอุปาทานภพชาตินี้เกิดให้รู้ตรงนี้ก่อนดินนี้ว่าไงเคยมานี่เคยมาเคยมาเคยเห็นหน้าไงฝึกกันมาแบบไหนสามคนนี้ แล้วนี่ล่ะเคยฝึกไหมเหลอหัดพุทโธดีแล้ว น, น, นี่เคยเรียนไปจากไหนล่ะพุทโธ ตอนนี้ยสติตัวจริงของเรามันยังไม่เกิดขึ้นมาคือตัวสัมมาสติอนะยังไม่เกิดขึ้นมาจิตของเราก็ยังขาดตัวสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นในการรู้กาย ร, รู้ใจตนเองนะจิตมันยังไม่ตื่นขึ้นมาเต็มที่อะยต้องค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนความจริงการพุโทโธพุโทโธเพื่ออะไรพุโทโธเพื่อจะรู้ทันจิตนั่นเอง การหัดพุทโธพุทโธพุทโธไปว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือจิตของเรานั่นแหละคือตัวพุทโธตัวจริงคําว่าพุทโธเป็นแค่เหยื่อตกปลาท่านั้นเป็นสิ่งมารอเพราะฉั้นราหัดพุทโธพุทโธพุทโธไปพอพุทโธพุทโธไปเนี่ยจิตหนีไปเที่ยวจิตหนีไปคิดนึกใช่ไหมให้รู้ทันว่าจิตหนีไปแล้วพุทโธพุทโธพุทโธไปบังคับจิตตัวเองไว้อึดหัดรู้ว่าจิตอึดอัด พุโทโธพุธโทโธไปจิตสบายจิตเบาจิตมีความสุขรู้สบายรู้เบารู้มีความสุขพุโทโธไปเรื่อยๆจนกทั้งเราเห็นจิตของเราจิตของเรานี่แหละคือพุโทโธตัวจริงนะส่วนคําว่าพุโทโธพุธโทโธนี้เป็นแค่เหยื่อเท่านนั้เป็นเหยื่อตกปลาหรือบางคนหัดหายใจก็ได้หายใจเข้าหายใจออกหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตหายใจไปรู้ทันจิตไป หายใจไปแล้วบางทีจิตก็ ห, ห, nav, หีไปคิดหนีไปเที่ยวก็รู้ว่านี่ไปคิดหนีไปเที่ยวหายใจไปแล้วจิตอื่นอาจรู้ว่าอื่นอาจหายใจไปแล้วจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขในที่สุดเราก็รู้เท่าทันจิตนะอะไรก็ได้เมื่อพอเรารู้เท่าทันจิตแล้วต่อมานี้พอตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลินล่นลิ้นได้รสกายสัมผัสหรือใจคิดนึกเนี่ยความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตนะเราจะคอยรู้ทนันจะรู้ความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราไป เนี่ยถ้าฝึกพุโทโธฝึกให้ได้อย่างนี้นะจิตไม่ใช่พุโทโธเอาเอาเคลิ้มเคลิ้มนะฝึกพุโทโธเพื่อให้เข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเองแล้วก็รู้อยู่ที่จิตจิตจะเปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคอยรู้ความเปลี่ยนแป ล, ปลงไป บางทีการที่มันเข้ามาไม่ได้นะเพราะว่าเราบล็อกมันไว้นะเรากั้นมันไว้ในกําลังของสมาธิถ้าอย่างนี้ไม่ถูกนะแต่ถ้าเราเห็นจิตของเราอยู่ต่างหากเห็นกิเลสผ่านไปผ่านมาไม่เกี่ยวกันนะแต่จิตเนี้จะอ่อนโยนนุ่มนวลเบาฟ่องแคล่วว่อ ง, งไวนะแต่ถ้าจิตเราแข็งทื่อสักนิดหนึ่งเนี่ยแสดงว่าเรากั้นมันไว้นละ้วค่อยสังเกตที่จิตให้ดี อย่างตอนนี้หนีไปคิดทราบไหมฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังไปคิดไปดูออกไหมยังไม่เลิกคิดทราบไหมยังพยายามอยู่ทราบไหมไม่ทราบนะยังไม่ทราบยังคิดไม่เลิกคือกว่าที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงนะยากเสียละถ้าเรารู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตเมื่อไรนะเราจะตื่นขึ้นในฉับรันเลย ถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาเราจะเห็นกายเห็นใจนี้ไม่ใช่ตัวเราต่อหน้าต่อตาเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะความเป็นตัวเราแท้ๆเกิดจากความคิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านสอนให้ละเนี่ยท่านบอกสอนให้ละความเห็นผิดว่ามีตัวตนท่านไม่ได้สอนให้ละความมีตัวตนไม่เหมือนกันแท้จริงละแค่ความเห็นผิดว่ามีตัวตน สักกายติฐีเป็นความเห็นผิดว่ามีตัวตนไม่ได้ละตัวตนตัวตนไม่มีนั้นเราไม่ต้องละตัวตนแต่ละความเห็นผิดชื่อมันบอกแล้วว่าเป็นความเห็นถ้าเมื่อไรเราสามารถตื่นขึ้นมานะหลุดออกมาจากโลกของความคิดความเห็นเนะี่ยมันจะไม่เป็นตัวตนทันทีเลยอย่างตอนนี้ฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมฟังไปคิดไปคิดเดยอะกว่าฟังอีกดูออกไหม ตอนนี้ทำอะไรตอนนี้คิดหรือฟังตะกี้ให้รู้ทันคิดรู้ว่าคิดเลยนะรู้ว่าใจหนีไปคิดเนื่อเห็นไหมยังไม่ยอมรู้ ย, ยังชอบไปคิดเอาเนะนี่ยคิดไม่เลิกรู้สึกไหมเห็นไม่ยังพยายามไปสังเกตมันอีกดูออกไหมนลวงพ่อถึงบอกไงว่าจิตเรายังไม่ได้ตื่นขึ้นมาจริงๆนะ เพราะงั้นอย่างการที่เราจะเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปไม่ใช่ตัวเราไม่เกี่ยวข้องกับจิตเนี่ยมันยังเกิดด้วยกำลังของสมถะนะด้วยกำลังของสมาธิแต่ถ้าจิตของเราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะไม่เกี่ยวกับจิตเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรสักนิดเลยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม <c oughs> ต่อไปนี้นะเวลาตั้งใจฟังให้รู้ว่าตั้งใจฟัง ไม่ต้องสนใจว่าฟังเรื่องอะไรเวลาจิตมันไปคิดให้รู้ว่าจิตมันคิดไม่ต้องสนใจว่ามันคิดเรื่องอะไรทําอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยเที่ยวไปหามันละนะเที่ยวไปหามันรู้ไว้หามันรู้ทันพฤติกรรมของจิตไว้แล้วเราจะตื่นขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยการตื่นจริงๆมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาเรานึกว่ายาก แท้จริงแล้วถ้าเราสามารถ ร, ารู้อารมณ์ประมัติจริงๆนะรู้รูปนามตัวจริงได้นะเราจะตื่นฉับพลันเลยโยรู้สึกไหมโยอาจารย์ปู่ว่าไงอาจารย์ปู่ลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมกระดูกกระดิกอะไรนี้นะเรามีกายเหมือนไม่มีมีใจเหมือนไม่มีให้คอยรู้ไว้รู้สึกนะจิตใจเรารู้สึกยังไงคอยรู้ไปเรื่อย มนีพิคิดอีกแล้วทราบไหมหนีแวบไปนะทนทนหน่อยนะเรียนกับหลวงพ่อต้องทนนะถ้าฐ่านอันนี้ได้แล้วการปฏิบัติจะเหลือ น, นิดเดียวเลยมันยากตรงที่เราไม่สามารถรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วรู้รูปนามตามความเป็นจริงถ้ารู้สึกตัวแล้วรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้นะบางคนเจ็ดวันบางคนเจ็ดเดือนบางคนหกเดือนก็มีเจ็ดนวะันก็มี มันเราต้องรู้สึกตัวให้เป็นให้ได้อาปั๋วไงอ่านนะจิตมันหมกมุ่นนะมันยังไม่เลิกหมกมุ่นด้วยดูออกใช่ไหมมันยังค้างคาความรู้สึกในการหมกมุ่นหนีไปอีกแล้วทราบไหมหลวงพ่อจะไม่สอนว่าห้ามหนีไป หลวงพ่อจะไม่สอนคําว่าอย่าเผลอนะทําไมไม่สอนว่าห้ามเผลอห้ามหนีไปเพราะไม่มีใครห้ามได้เนื่นองจากจิตนะัเป็นอนัตตาแต่หลวงพ่อบอกแค่ว่าเมื่อเผลอไปแล้วให้รู้ทันว่าจิตเผลอไปรู้ให้มันเร็วหน่อยนะอย่าเผลอเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะหนีแวบไปแล้วก็รู้แวบไปแล้วก็รู้นะเคยอ่านหนังสือของอาจารย์สุรวัตรไหมเล่มที่เป็นดอกทานตะวันเคยเห็นไหมมีไหมไม่ไม่ไมไม เป็นเรื่องที่เผลอรู้เผลอไปแล้วก็รู้เผลอไปแล้วก็รู้นะจริงๆฝึกขั้นนั้นพอนะขั้นที่หนึ่งอนะ่ะรู้สึกไหมว่าเราบังคับใจของเราเวลาเราบังคับใจของเรานะใจของเราจะแข็งแข็งขึ้นมานะแข็งแข็งเกร็งเกรงรู้สึกไหมนะให้รู้ทันมันนะรู้ทันความปรุงแต่งในใจของเราไปนี่เราเกิดจากกลัวจะปฏิบัติไม่ได้กลัวจะฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ย กลัวจะเผลอไปก็บังคับเอาไว้ให้รู้ทันดูออกไหมยังบังคับไม่เป็นธรรมชาติดูออกไหมจิตตอนนี้กับตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่เหมือนกันดูออกไหมให้รู้ความแตกต่างตรงนี้รู้ไปเรื่อยๆ ง, งั้นเวลาเราหัดดูจิตเนี่ยอย่าคิดมากแท้จริงแล้วแสนจะง่ายเลยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นยังไงนะ่ะรู้ไปซื่อๆรู้ไปตรงๆนะไม่ใช่แกล้ง ทำอะไรที่เหนือธรรมดาพวกเรานักปฏิบัตินั้นติดการทำอะไรที่เหนือธรรมดาจิตใจจะต้องเนี่ยพอคิดถึงการปฏิบัติต้องวางฟอม ร, ร่างกายก็ต้องวางฟอมจิตใจก็ต้องทํารึมๆ ม, ม, มาสมาธิทำหน้าให้ดูนะแล้วก็อยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยเหมือนคนไร้ความรู้สึกนี่แกล้งทำล้วนๆเลยนะรู้สึกไหมว่ายังทาอยู่ มันแข็งรู้สึกไหมดูออกไหมหออแต่ไม่แก่นะไม่ห้ามห้ามแก้ไม่ต้องแก้มันนะถ้าเรียนกับหลวงพ่อต้องจับหลักให้นะค่อยๆเรียนไปหลวงพ่อจะไม่สอนว่าให้แก้อะไรเลยหลวงพ่อจะสอนอยู่อย่างเดียวให้รู้ตามความเป็นจริงนะให้รู้อย่างที่มันเป็นไม่ไม่ใช่เรื่องแก้ไม่ใช่เรื่องห้ามห้ามเผลอเผลอไปแล้วจะแก้อย่างไงโกรธแล้วจะแก้อย่างไงไม่แก้ นะหลักของวิปัสสนามีนิดเดียวให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคอยะระลึกถึงกายะระลึกถึงใจของเราไว้แต่คนทั้งโลกนะ่ะมันลืมกายลืมใจทั้งวันเป็นนั่งคิดทั้งวันรู้สึกไหมเราตื่นขึ้นมาเราก็เริ่มคิดแล้วใช่ไหมคิดไปเราทําอะไรเราก็ไม่รู้ตัวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่รู้สึกจิตใจจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศ ล, ก, ลก็ไม่รู้มัน เราลาเลยที่จะรู้มันไม่ใช่ว่ารู้ยากนะแค่ละเลยเท่านั้นนะมีไปคิดแล้วทราบไหมแค่นี้พอรู้อย่างเงี้ยรู้อย่างเงี้ยแค่รู้มันเผลอไปแล้วมันเผลอไปคิดรู้ว่ามันเผลอไปแค่ตามรู้นะไม่ใช่ไปจ้องไว้ก่อนของคุณผิดตรงที่ชอบไปจ้องไว้ก่อนคิดว่าการปฏิบัติคือการนั่งรอดูดูทไม่ให้คาดสายตาจ้องไว้นะอย่างนี้ไม่ถูก คำว่าในสติปัฏฐานเนี่ยกายานุษษาปัสสนาแปลว่าการตามรู้กายไม่ใช่ให้เพ่งจ้องกายกายมันเคลื่อนไหวกายมันมีอาการอย่างไรรู้ว่ามีอาการอย่างนั้นเนียกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาการตามรู้เวทนาหมายถึงมันมีเวทนาขึ้นมาล้วก็ค่อยรู้มันนะการตามรู้จิตจิตตานุปัสสนาตามรู้หมายถึงว่ากุศลเมื่อกุศลใดๆเกิดขึ้นมาก็ค่อยรู้มัน รู้ทีหลังนะต้องรู้ทีหลังเช่นใจลอยไปก่อนแล้วรู้ว่าใจลอยใช่ไหมต้องใจลอยไปก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าใจลอยไม่ใช่ใจลอยไปรู้ไปเป็นไปไม่ได้เพราะสติกับกิเลสเกิดด้วยกันไม่ได้งั้นะกิเลสเกิดก่อนสติเกิดทีหลังตามมาแต่ตามมาติดติดหนีไปอีกละรู้สึกไหมลืมกายลืมใจจันวะนบนเป็นไงจา น, นวนบรรณา อะไรนะเราไม่คิดปัจจุบันอะนะตรงมันคิดแปรดีรู้ว่ามันคิดมันคิดปรอนาคตรู้ว่ามันคิดรู้ว่ามันคิดนะไม่ใช่รู้ไม่ใช่รู้เรื่องที่มันคิด ใช่ใช่อาจารย์อย่าไปกังวลธรรมชาติของจิตเนี่ยนะอา้าวลุกสึกตัวรู้สึกตัวหนีไปกินในความคิดแนละ้วทราบไหมหลงไปในความคิดอีกแล้วรู้สึกตัวนะอาจารย์เห็นไหมฟังอาจารย์คิดถึงว่าจิตเราชอบหลงไปอดีตปัจจุบันเราก็หลงในปัจจุบันอีกแล้วเพะฉั้นหน้าที่ของเรารู้สึกอยู่ในปัจจุบัน จิตเนี่ยไปแล้วรู้สึกไหมจิตมันกระโจนยุดยุดก่อนอย่าเพิ่งคลําครวนนะให้อาจารย์รู้สึกลงไปนะคอยรู้สึกไว้รู้สึกอยู่ที่ร่างกายก่อนก็ได้นะนั่งอยู่ท่านี้นะนึกถึงร่างกายมันอยู่ในท่านี้มันพยักหน้ารู้ไหมหน้านะคอยรู้ไปนะรู้สึกอย่างนี้ไปก่อนเนะี่ยจิตหนีแวบไปละ หนีแวบไปกรู้ทันเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคร่าครวญอีก ล, ล้กวน ะ, นะ <c oughs> ถอยหลังหรือเดินหน้าไม่มีจริงหรอก <c oughs> เราเฝ้ารู้กายรู้ใจของเราโดยเฉพาะรู้ใจเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้มันดีน <c oughs> ถ้าอาจารย์ตั้งเป้าว่าจะให้มันดีเนี่ยมันจะดีช่วงหนึ่งแล้วมันเสื่อมเราก็บอกว่ามันถอยหลัง <c oughs> นะแท้จริงเราไม่ได้ปฏิบัติเอาดี เราปฏิบัติเอาความเข้าใจคำ ว, ว่าปัญญาเนี่ยคือตัวความเข้าใจไม่ได้เอาดีนะแต่จะเอาความเข้าใจเข้าใจความจริงว่าจิตเนี่ยเป็นของไม่เทีย่ยงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้คืออนัตตาต้องการให้เห็นตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เอาจิตที่ดีถามว่าเราจะมีเสื่อมอะไรไหมไม่เสื่อมอะไรนะธรรมชาติมันต้องเสื่อมอยู่แล้วแต่เราปฏิบัติ เอาความเข้าใจเห็นไหมเออมันเจริญได้มันเนนสื่อมได้นะมันเศร้าหมองได้มันก็ผ่องใสได้แล้วมันผ่องใสแล้วมันก็เศร้าหมองได้นะ ม, ม, ม, มันจะเอาดีใช่ฝึกเพื่อจะเอาดีเนี้ยฝึกเพื่อจะเอาดีแล้วไม่ได้ตามเป้าจะรู้สึกว่าเราแย่นะเราจะแย่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอืออาจารย์รู้ ร่างกายเคลื่อนไหวอาจารย์คอยรู้ไ ว, นะว้นะเพราะตอนเนี้พลังสักดันในใจของเราแรงเนื่องจากเรามีเรื่องกุ้มใจเยอะมีเรื่องเครียดเยอะต้องคิดทั้งวันจิตเนี่ยมันคิดไม่ตกมันจะคิดวนไปวนมานะนั้นเมื่อดูตรงที่จิตใจเนี่ไม่ไหวนะอาจารย์รู้ร่างกายเคลื่อนไหวนะเราพยักหน้าก็รู้นะเราพนมมือเรากระดุกกระดิกนะคอยนึกถึงร่างกายบ่อยๆแค่นึกถึงมันนะ่ะ นึกถึงร่างกายไว้เรื่อยๆอเพราะว่าจิตเราเนี่ยถูกกระแสตัวนี้ผลักดันรุนแรงที่จริงหลับอยู่ก็ยังคิดอยู่ ะ, ะ, ะเพราะว่าจิตจริงๆได้พักนิดเดียวนะคืออาจารย์ไม่ได้ทําสมถะไงทาสมถะไม่เป็นถ้าทําสมถะเป็นนะเราจะต้องพักในสมถะจิตจะสบายนะทําไม่เป็นไม่เป็นไร ทำใหเป็นอาจารย์รู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวไหว้เ น, นี่ยเนี่ยี่ยยกมือแล้วเห็นไหมยกไม้ยกมือรู้สึกไหมเ น, นี่ยขยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ยทำกันแล้วลเห็นไหมดูปากเคลื่อนไหวอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องคุยเลยแต่อาจารย์รู้กายที่เคลื่อนไหวแล้วนะร่างกายเราเคลื่อนไหวทําใจเด็ดเ ด, ด็ดนิดนึงนะใจเด็ดเด็ดรู้กายไปเลยนะแป๊บเดียวก็หาย เนี่ยหนีแวบดูออกใช่ไหมหนีแวบแวบงั้นคอยระลึกถึงกายไว้อืมที่จริงแล้วหนีทั้งวันทุกคนแหละในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวะเพียงแต่ว่าคนทั่วๆไปเขาหลงไปแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาหลงเขาคิดว่าเขารู้สึกตัวอยู่งั้นในโลกจริงๆแล้วไม่มีคนรู้สึกตัวหรอก ส่วนผู้ปฏิบัติเราจะเห็นเลย เ, เดี๋ยวเราก็เผลอเดี๋ยวเราก็เผลอเพราะเรามองเห็นอะมันไม่เที่ยงอาจารย์มองเนี่ยธรรมะกำลังสอนเราอยู่มีแต่เรื่องความไม่เที่ยงให้ดูดดใช่เราปฏิเสธเราปฏิเสธธรรมะใช่ไหมธรรมะเขาต้องการแส ด, แดงว่าไม่เที่ยงนะทนอยู่ไม่ได้บังคับไม่ได้ เราอยากให้นิ่งๆอยากให้เที้ยงอยากให้ทนอยู่ได้นานๆรู้สึกนานๆอยากบังคับมันให้ได้นะเราปฏิเสธธรรมะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องดูลงไปในแง่ที่ว่าธรรมะเขากําลังแสดงให้เราดูเนะนี่ยเห็นไหมอยากพูดนะนะนะความอยากพูดผุดขึ้นในใจให้มองเห็นมันแล้วนะนะรู้ทันอาจารย์รู้สึกไหมว่าใจเริ่มสงบลงนิดหนึง่ง พอมันเริ่มสงบลงเนี่ยมันเริ่มเห็นเนี่ยอยากพูดฝุดขึ้นมาเริ่มเห็นแล้วแต่ถ้าอาจารย์ปล่อยอย่างเะกี้นะั้นเตลิดเลยนะมันจะยิ่งคุมไม่อยู่ยิ่งนานวันไปเนี่ยจิตจะเคยชินที่จะกระโจนทรดๆรๆดทร ว, ว, วดไปแล้วตอนแก่จะแย่ที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันฟุ้งซ่านขนาดนั้นนะรู้ลงที่กายเลยรู้ลงที่กายเลยนะขมใจไว้ก่อนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวไว้บังคับมันหน่อย ให้คอยมาสนใจร่างกายไว้อันนี้ได้เป็นสมถนะเป็นกำลังเดี๋ยวจิตใจเราสงบลงกระทั่งอยากจะพูดจะเห็นความอยากพุดขึ้นมาละนะนะนะอาจารย์เฝ้าดูไปเฝ้าดูความรู้สึกที่มันพุ่นะตอนนี้มีแรงจะดูตอนนี้หนีคิดแล้วไมหมยนีไปคิด